ที่นี่ผมก็ยังไม่ทันเงาะมากดอกพอโกนใหม่ๆแล้วจะโกนผมให้เป็นพิธีท่านเองไม่ เราก็นึกเคารพท่านอย่างยิ่งทีนี้ เขาจะได้ระลึกถึงคุณกันพระใหญ๋บอกอย่างเออท่านทําถูกพระใหญ๋เรายิ่งเข คน, 3 คนจะบวชๆขอให้ ชื่ออาจารย์คูนเสถวงศ์เป็นคนโบราณจมูกโง่งโหนกเอวกระชับ พี่จันทีจันทิพี่สาวแก้วพี่สาวแหวงตัวของเราก็ชื่อล่าเพราะเกิดที บิดาของเราสิ้นพระชนม์สิ้นชีวิตโรคชราอายุ 80 วันลูกๆจะมารบกวนให้ ตื่นขึ้นมาต้องต้องกราบพระทุกๆๆๆๆๆเช้าก่อนจึงไปทํางานก่อน เข็มเล่ม 1 ก็ไม่มีจะ 3 คนไม่ยอมให้คนอื่นบวชให้เราไม่พูดแล้วนะเรื่องลูกยากจะ ดื่มน้ํานะรู้จักดีนี้วิลายจะขึ้นลมพานในเวลาตอน มันก็สิ้นลมปานกันพูดอย่างนั้นตอนเช้านี้เอง ก็ทูเพลงคนข้าวเหลืองไปเงียบจมูกดงโหลกคนขาว มรรดาก็ชื่อแพงมรรดาก็นี่มรรดาแล้วเที่ยวไปเทศบรรดาเสมอๆมึกสบับเตาะภาวนาให้ มีห้วลงอย่างนี้พุทโธพุทโธแล้วหยุดบริกรรมเน้อนะหยุดบริกรรมให้ สมมุติว่าสงฆ์เป็นซึ่งผู้รู้สังฆโภแปลปฏิบัติผู้รู้ก็ปฏิบัติอยู่ที่ในนี้เองก็รู้อยู่ที่ในนี้ 5 นาทีนั้นที่ เนี่ยเคยคิดถึงสมัย 2000 อายุของอาตมาสมัยนั้นมีเพียง 22 ปีมีครอบครัวแล้ว ภิกษุชายอยู่เดือน 1 ไม่ได้ไปอะไรเลยถึงลูกถึงเมียไว้ลูกเมียเค้า ก็ถ่ายท้องธรรมดานี่นี่อยู่มาอยู่มานี่ก็หน้าถ้าเอาหน้า น้ำก็ไม่ดื่มข้าวก็ไม่ทานคนอยู่หนึ่งแห้งแห้งลงแห้งลงแห้งลงแห้งลงคนโตพึงผายสูงใหญ่เป็นแล้วลบ อนิจจาฮักว่ะยามมาผูกมึงพี่เด้อพูดพี่ลบ ชาตินี้ได้ร่วมกันเท่านี้แลชาติหน้าพวกเราอีกพวกเราจึงร่วมกันนะคุณพี่นะเมื่อพอ 5 นาทีก็ นี่สายพี่เป็นคนใจบุญมากมีเงินบาทเดียวถ้าไปพบกองบุญเค้า <c oughs> เป็นคนมีศรัทธามากบิดามารดาก็เหมือนเล็กๆนิสัยไปขึ้นสงเถิงไป ไปไปเห็นวัดเก่ากวนกรวดไปเห็นวัดเก่าพระวัดโบราณมันตอนนั้นอายุ 7 ปีไปนั่งพิจารณา ท่านคงจะเทศอยู่ที่นี่อืมท่าน ข้างๆเฮาก็น้ําตาไห้นี่นิสัยตานะพูดปาปารภเมืองหลวง ให้สมดุลกันเพราะเกี่ยวเนื่องมาอย่าง ถ้าเขียนตรงไปตรงมามันก็กระทบกระเทือนโลกปัจจุบันถึง ชินลมปานในเวลาเช้าฉันจึงหันแล้วท่านก็นั่นอาจารย์ เดี๋ยวจะตายก่อนรีบทําความเปลี่ยนว่าอย่างนั้นหลวงเด 2 ก็ทําเหมือนกันอันนี้มันเป็นพยานหลวงปู่มั่นนี่เพราะท่านเหล่านี้ตายก่อนหลวงปู่มั่นในยุคมั่นหนุ่มผู 18 พรรษาแล้วองค์หนึ่งก็ 9 พรรษานั้นทําเอกองค์ 9 ก็อยู่อำเภอลำพุกเดี๋ยวนี้กลายเป็นอำเภอป่าติ้ว 18 ธรรสาก็อยู่บ้านโคกนามนดูที่วัดดอยทำไอ้เจดีท่าน อ่ากันมันไม่ต้องการอสวะไว้นานก็เอานี่เป็นพยานแล้วนี่อืมด้วยความ ถึงอย่างนั้นมันก็กระทบกระเทือนอยู่เหตุๆนานหลวงปู่มั่นไม่ส่งเสริม สมาธิสมาบัติของใครของมันก็จะได้ไปเพราะมันไม่ใช่ คำพูดของหลวงปู่มั่นไม่มีที่แซงท่านพูด 30 เมื่อเห็นท่านถวายพระเพลิงอ่ะพระ ไม่ได้ดับแอบกินกับสุขของลูก เราจะตกใจเออเมื่อพ่อตายท่านก็จะทําเออเราไม่อยากดูกับท่านหรอก ญาติโยมทั้งหลายเพราะก็ว่าการบวชนี่ได้บุญ เรเราก็ไม่ถูกทีนี้ไปอย่างนี้แต่ว่า หลวงปู่คงแก้วที่อยู่นี่ห่างจากนี่ 300 เส้นท่านละต่างจังหวัดเข้ามาทอดกฐิน เขาก็หมายว่าจะให้รางวัลพระผู้ที่ พวกเรานี่มนกันไปต้มให้เขาดูหน้าเรานิมนต์กันไปต้มให้เขาโอ้ท่านพูดอย่างนั้น เขามาเอาที่วัดไหนก็ต้องทอดที่วัดนั้นก็ทํากัน บุรดีหางแซมท่านพูดอย่างนั้นหลวงปู่มาน ไม่เหมือนวุ่นวายกันทุกวันนี้เราอืมมันแปลกเหมือนนี่ๆๆดูฟ้ามันก็ไกลกัน กิเลสมันก็ออกบ้างนะพูดทีนี้ฟังออกมั้ยสิงคโปร์ ท่านองค์อื่นก็มีทั้งอาราธิย์หมดเราเป็นกรรมทุคไม่ใช่กรรมหารอ่าโสเป็นโสตายืนปลายซึ่งเขาอยู่นี่ พออดน้ำท่านก็ไปอยู่วัด มันจะไม่ห่อเหิมลืมตัวลื้อไฟฟ้าก็เอามาในวัดอะไรก็เอามา วัดของท่านสนุกพอแล้วออกจะตายหลวงปู่มหากุฎินราช นั่งพอคอยกินน้ําฝนปีไหนฝนมาดีไม่ดีก็คอยเหมือนกบมันมีบุพกรรมเหมือนกันบุพกรรมอดน้ําก็มีในปัจจุบันเฮา <c oughs> ถ้าปวิฏฐาเรื่องโรงเรียนทางปวิฏฐาวิฑ์น้ําออกจากเขานี่ ข้ามภูเค้าถอยจังหวัดพังงาคนเดียวเค้า แต่ว่าสะพายบาดพะลุงพลังเข้าในตลาดอาตมาไปๆดอก เมื่อเขาถอยขึ้นไป 2 3:00 น. ตั้งหน้าขึ้นเขาคน หลวงพ่อใหม่ที่พระมาทํากันที่บ้าข้างหลังสะพายเหมือนพวกพายน่ะ เดี๋ยวอาการแบกกดมันจะคืนนี่ทำไมหลวงปู่มันบ่ รับจํานวนพวกนี้ไว้มันเป็นนโยบายของท่านหลวงปู่เทศ ถ้าบาปต้องเฉลยบาปนี่ถ้าอย่างนั้นมันมันมันมันลดบาปลงแต่กระเพาะผ้าขามผืนเดียวถ้าอาบผืนเดียวต้อง ภาชบทด้วยในตัวภาชหน้าด้วยในตัวเอาพื้นเดียวนั่น แต่เขาก็ระแวงอยู่ท่านต้องนิมนต์ท่านเออในข้างหน้ามันเป็น มันจะเวลาเราออกเที่ยวสัจจะเขาก็คนเดียวสองเดือนนี้เวลา มือเสือเอาเอาคนไปกินถ้าทำเนียมเค้าเออเสืออย่า เค้าก็อธิษฐานแต่ก็ไม่เห็นมาไม่ไม่มาหา 2 เดือนก็ลาเขาข้ามเขาทอยเค้าก็เออ มันคล้ายอย่างนี้นี่นี่เราจะทํายังเอาขออภัยเอา แล้วอันนี้ก็เอากบนี่นี่ก็บาดบ่นิบนี่แล้วก็อยู่อย่างนี้นี่น้ําก็ พอถึงหลังเขาเที่ยงวันหลังเขานั้น 1 <c oughs> เส้นแต่ยาวเหยียดเต็มที่เอออนิจจาเอ๋ย ต้องค่อยลงต้องห้ามรอดที่สุดพอถึงตีนเขาต้องห้ามล่อที่สุดพอถึงตีนเขาน้ําไม่ได้ดื่มวันนั้นพระอาทิตย์ริบดีริบ เพิ่งมามีอยู่ที่นี่แหละนาฬิกานี่ผู้ให้ทานบ้านตกปีนก็ค่ําพอดีมี 2 3 บ้านหลังคาด้วยนะเป็นป่าก็มองคืนหลังเอออาจารย์ขอทอยอืม ข้าพเจ้าแม่พบมีชาติอีกเน้อเวลาเขาถอยเฮ็ดหลับที่นี่ ที่มีทุ่งนิดๆอยู่ที่นั่นแต่ พอเขาก็มาถึงเป็นโตซ้ายหนึ่งเมื่อถามเค้าว่าคุณโยมไม่นี่เค้าบอก <S. S 2> ธารนี่ก็มีน้ํามีธาตุธาตุคล้ายๆกับตัวปิงนี่ น้ำในที่นี้มันเป็นน้ําซึมทางหาออกจาก 6-7 วาก็เป็นถ้ําเข้าไปในนี้อะไรต่ออะไรสารพัดอยู่ที่นั่นแต่ <c oughs> ทีนี้ก็เค้าก็จะทํากระต๊อบให้ทําร้านให้เอ่อ พอถึงพกค่ําทีนี้ก่อนที่เขาจะมาปลูกรามนะฮะปูดินนี่ฮะแล้วก็กางกดทีนี้อันนี้เป็นรูตาม เป็นศอกเข้าไปทีนี้ไม่ใช่บ้านเมืองถึงทกค่ําภาวนา ไม่ได้ความเลยวันนั้นไม่ได้ความเออถ้าอย่างนั้นเราก็จะกราบพระละเราจะนอนมันต้องการนอนก็ให้มันนอนกราบพระอันอนึกจะระลึกถึงพระหงส์สวด แล้วทำไมเป็นอย่างนี้น้อแล้วจะตัดนี่เราเรียกว่าอาการทึบอืมมันง่วงตอบสนอย่างนั้น ตื่นขึ้นมาก็มดจอที่นี่เพราะเขาตัดใบไม้ไปขึ้นมาก็จะ เขาบอกว่านิมนต์บิณฑบาตก่อนเค้าก็บอกว่าที่นี่ต่อไปมีบ้าน จงชันวินธวัตรบ้านกับผมนี่เสี่ยฟอร์ดมีธวัชึกก่อนบอกเค้าว่าที่นั่นอาตมาอยู่ไม่ได้เพราะประมาณ 1 เส้น ก็มีน้ําไหลลงมาจากเขาทอยข้างหน้าเอว 20 นาทีก็ตกทุ่งถาม เขาก็ไปส่งที่ถ้ําเขาเท่าพอไปส่งถึงถ้ําเขาเท่าแล้วรามณี เพียงวันเดียวก็อดทนได้ดิสองวันสามวันก็คืออดทนกันอยู่เค้า มันมีเตียงอยู่นั่นแหละเตียงอยู่ใต้ ที่เขาก้อนพ่าแดงลึกเข้าไปในถ้ำเข้าไปในเขาเราก็นั่ง เราจะผินหัวไปทางไหนนึกในใจถึงเราไม่ต้องผิน 2 เดือนปฏิโมกไปจะ เราลงอุปโสธเราก็อธิษฐานเอาแต่อัธเมอุปโสธโพนนะหรือจาตุตะโสตามปัคคหาบและทั่วตามพระวินัยทรง ถ้าเปลี่ยนกันสวดเปลี่ยนกันสวดเป็นวาระเป็นวาระเดี๋ยวนี้เราจะ ได้ยินเสียงขนาดนี้แต่เสียงของมันมันจุ้งไม่ได้ขาด หัวของมันอย่างนี้สูงขึ้นกว่าเตียงนี่นี่มาอย่างงี้มันมาเรียกที่สุดนี่ เนื้อสดเนื้อกอนสดมามีปฏิภาณสดมาหมู่ไทยก็ มาไปๆๆไปเราไม่เธออย่าไปสงสัยเราไป เราไปอเมริกาถึงเธออยู่ทุกวันกั้นใจทําเกือบจะตายแล้วนี่เออก็กลัวด้วยพอมันจน มันไปแบบเรียบๆหมดเลยหางก็ค่อยมาค่อยมาค่อยที น้องก็ทันสติได้มากพอทีนี้หายไปมากแล้วก็กลัวทีนี้ก็ หายนี่เป็นเพราะอะไรไปมากแล้วสินี่นี่เป็นเพราะอะไร เพราะมันมาหากินต่างๆตอบตนเอง ไม่ใช่ผีไม่ใช่เทวดาพูดอย่างนั้นตอบตนเองพอนึก มันมากับทีมที่นี่มาทางทะเมิดทางห่างมาอืมอันนี้เป็นทิศที่เออพูด ไปๆคืนๆคืนก็บอกแล้วไม่ฟังไม่มาหาไปคืนคืนคืนทีนี้ถอยคืน มันมีสติสัมปชัญญะดีกว่าเราอีกเสียด้วยเรามีสัมปฤทธิ์สติสัมปชัญญะดีกว่าเราด้วยตูมเข้าไปนั่นเลยไปนั่นเลย <c oughs> เราก็มาหาภิสูจดูว่าการที่มันมา คือขึ้นมาก็เป็นมิตรภาพตอนทั้งคืนเค้าเงียบสงัดทีนี้ไป 2 บ้านบ้านนึงก็อยู่นู่นบ้านนึงก็ 아아っ..ที่นี้, ไม่พณ์ Kristin กราessel Wooshammar Isのでよって af figure that game, พ바ฉันเน mergerKlemasan Adeigangar を etriome upikram i let him get the Herren they were asked ยมๆที่นี่มีกว่าไหมพอถั Yesterday He nude, Politics of the Meg. พระท่าน Herman. technology Whipsları answered อัตภมาหญิตตัวให epidemi harmon přSynard why chapter of chapter ofјün in a Am 한번 봤เขาพูดตัวใจตัวโตเมืนกัน น่อมาท่านขอบอกว่านี้ก็มีหวังวันนี้ มันไม่ใช่ที่สองไม่ใช่ที่ 2 หรอกมันเป็นที่ 1 เค้าเค้าเรียกว่างูอะไร เรามาพิจารณาอยู่ที่นี่ก็เพิ่งโทษตนเองทั้งหัวเราะซ้ำทุกข์เรานึกว่าจะพักอยู่นี่ 3 นี่ต้องไม่ต้องไปมันเร ต่อไปเค้าก็เพ่งโทษว่าเราเก่งกลัวงูกรรมฐานกลัวเห็นอะไรเห็น ตัวหน้าดำๆนั่นกระโดดลงมากระโดดลงมามา เหมือนต้นมะพร้าวเหล่านี้เองแต่ว่าเป็นลูกเล็กๆไม่ลูกโตเหมือนมะพร้าว ทีเด้อหน้าก็มา 2 รู้แล้วค่อยๆเดี๋ยวก็ทําอย่างก็ฟันของมันขาวแล้วสักคํานึงเอ๊ะแท้จะ ตามปุ๋งของมันเราก็ภาวนาตามภาษาของเราทีตอนกลางคืนในวันหนึ่ง นี่ออกไปดูของใหม่ออกไปดูมันอยู่ใกล้ๆเราแต่เราก็ไม่ปรากฏ ก็ให้บอกคำถามว่าเค้าก็ส่งมา ก็ปกนอนพอนานตามภาษาคนเดียวไปบิน <c oughs> พักอยู่นั่น 3 คืนก็ถามเขาทีนี้เขา 3-4 คืนประมาณ 3-4 คืน เนี่ยพอลาเขาเขาก็เขาบอกว่าอยาก ก็ที่ 2 ที่ 1 ที่ 1 ตอนกลางคืนก็ 1 เค้าก็มารับเอา ตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตามเราไม่เคยได้ยินเราก็ถามเค้าเค้าก็บอกว่า สารทรีพอมาถึงอำเภออ่าวลึกที่นี่ฝั่ง ฝนอุบัติที่นี้ตกลงมาเราคนเดียวอยู่ที่ คนลําบากที่นี่ก็ยืนกลางกดที่นี่ยืนแบบนี้กดทุกข้างเนี่ยกั้นกันไว้อย่าง เดี๋ยวหมอกคลานนี่น้ําไหลเพียงครึ่งแค่ง <c oughs> <c oughs> จากร้านทหารอำเภออ่าวลึก 1 กก. พวกเขาขาแจ้งหมูเข้าไปหมดแล้วเพราะเขา มีคนคนนึงหมดมีพระมาภัตสู 3-4 อมภัตที่นี่หลวงพ่อจะไปฉัน พุทธที่จำพรรษาภูเก็ตเราจำพรรษาพังงานี่แต่พบกันอยู่ที่นั่นพบกันอยู่ที่ ได้องค์ไหนก็ออกมาในเลือกขอไปปฏิบัติสักองค์ <c oughs> แล้วก็พอใจไปก็แล้วเอาไปใจไปญาติโยมขอกลับออก 2 ชั่วโมงก็เอา 200 คนเรือลํา เออประจุงเอาแขนท่านพ่อเข้าให้เดี๋ยวท่านพ่อ 2 เดือนพักอยู่คน หมู่ทะเลยังมีมากมันขึ้นไปอยู่ตามเกาะละเมาะเรียกไม่รู้จักชื่อก็มีตัวเหี้ยตัว เขานั่นก็คอกหัวดอกเพราะเขาไม่เคยกินพวกอีศพวกภาคอีสาน <ม. S 1> ไปปฏิบัติวัดเขาก็ปฏิบัติดีตามภาษาของเขาแล้วก็ เขาก็ส่งขึ้นเรือข้ามข้ามไปหนองพ่อเป็นเวลา 2 ชั่วโมงถึงถึงหนองพ่อไปพัก ณโรงคั่วกาแฟที่นี่อยู่นอกเมืองชายคนหนึ่งเป็นชายโสดอยู่นั่นอยู่นอกเมืองคั่วกาแฟตุ๊ดๆๆๆมี ผมไม่อยากจะกลับบ้านแต่มูลค่าไม่มีถ้ากลับไปก็ละอาย โลกนึกว่าเขาทํายังไงไม่ทราบเราก็ไม่ได้ไปดูแหละได้ยินเสียงตุกๆตุกๆตุกๆตุกๆตุกๆบอกว่าเขา เขาไปกันอย่างก็มีตอนท่าจะเที่ยงเค้าจึงถวาย 2 แก้วแล้วท่าจะฉัน พอถึงเวลารถเค้าก็ส่งขึ้นรถทีนี้ เค้าเข้าตลาดอยู่นี่อยู่ในรถจัดอาหารถวายพระพระผู้ตลาด ที่นี่ก็ไปถึงออกจากนั้นเขา ไปขึ้นเรือข้ามข้ามทะเลไปเกาะภูเก็ตเวลาเรามาเรามาทะเลในเราเออเรามานี้ เหมือนบ่วงบ่วงเส้นทางไปนี่ก็ต้องไปทุ่งสูงนี่นี่นะคนทําถือเห ถ้าเป็นศพไม่เหมือนผ้าอีสานถ้าเป็นศพที่มี ปาร์ชาแขกอ่าปาร์ชาคนไทยและปาร์ชาจีนประปนกันอยู่ที่นี่แล้วก็ เอาเสียมาให้พื้นเดียวแล้วก็แล้วนี่มัน <c oughs> ภาวนาเผื่อเมตตายังไม่มีกังวลทั้งคืนอยู่ที่นั่นพักอยู่ 2 3 วันก็มีเกรียนคนหนึ่ง 30 ปีมาถามทางทางทางจะ อ่าอาตมาคนที่ว่าจะไปกรุงเทพฯทางๆๆๆจะไปโดยวิธีไหนล่ะถ้าไม่มีวิธีไปก็เดินอ่ะค่ําที่ ถ้าถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นก็เอาใบสุขทิกค์ทั้งมาผมผมผมจะเอาเงินมาให้ท่านอาตมาก็รับเงินมาคนเดียว ตัวลกหลวงเขาขาย 6:00 น. ล่วงหน้าถ้าขาย 1 ชัก 1:00 น. ออกจากนี้ มอเตอร์มอเตอร์เป็นยังไม่ไปเดี๋ยวก็คืนมาบอกคืนมาเอาให้ตัวของมัน 75 บาท 50 ต่างลดขึ้นค่าแล้วล่ะ อ่ะมังไม่ได้ไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินบิงธบากนะมังแม่ทั้งไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> บอกให้รับที่สถานีส่งจะมารับทางที่นั้นแล้วก็ไปไม่ต้องไปบินทะบ่ามัน พอแก่ก็มาละที่นี่พอได้เวลาแก่ก็มาภรรยาของมันหน้าตานี้เขา มันก็แบกเอากดที่นี่ตัวของมันมันก็ทะไพบาดที่นี่ ทีนี้มันก็บอกว่าผงผงให้ลูกของผงไป 12 ปีไปนั่งจองที่นั่งไว้แล้วแต่นั่ง ก็เขียนให้นายดำไชยจริงกิจถนนบำรุงเมืองจังหวัดตังเออถนนบำรุงเมืองเราก็นึกว่ามี ถุงพาชติ๊กที่ใส่นี่มันยังไม่แพร่หลายมาเหมือนเราทุกวันไข่ 2 ฟองเนื้อ 3 ตัวแล้วก็ ยาเก็บทองสมัยแดงๆนั่นไม่เหมือนทุกวันนี้ 2 2 3 กะน้ํา 2 ขวดเราสงสัยน้ําเพราะมันยังมาทันพอยฉันทีนี้เรานึก ทีนี้มันก็สั่งพอดีก็ลาแล้วก็สั่งลากันโดยมิ่งมิ่งๆเลยพอดีดังรถ วิ่งมาจ่างพระมาพอ 5:00 น. น, นเช้าก็ ที่ทุกทางสายอุดรอุบลรถไปทางสายอุดรอุบลไม่ดูพระเลยมึงจะกินอะไรกูก็ไม่ทราบกับมึงละอะนั่นเค้ามองดูพระ ส่งจาน 3 จาน 4 จาน 5 จาน 6 จานเข้าเอามาเราก็นึกษานึกรักษามารยาทของเราถ้าอีกละอย่างให้ 3 มันมีนิดเดียวนี่ มาสถานีไปเวณสถานีชวนให้เขาเขียนของนี้แล้วก็หิ้วไปในในสถานีนั้นสถานีมาเห็นก็มาถามข่าวเค้าๆมาจากเค้า เดี๋ยวก็จะมาครับเดี๋ยวก็จะมารถ รถคันนี้ก็วิ่งรถสงขาก็วิ่งขึ้นกรุงเทพฯทีนี้ตัว 2 ตามเดิมทีนี้ก่อนที่จะขึ้นรถเราก็ฉันทอให้เช้า เราเป็นสรรค์ 2 หนเลยแล้ววันนั้นเออพอเราสงสารเค้าเนี่ย ข้ามจังหวัดระยองไม่ชุมพรระยองหือไม่ใช่แล้วจุมพลทีนี้ อันมาในรถนั่นเค้าเวลาท่านจะไปลงที่ไหน ท่านมีค่าโดยศาลต่อไปหรือไม่ทําไมไม่มีใครถามก็เป็นเผาะบุพกรรมของเราเขาไม่ถามเราก็ไม่เอ่ยเราก็เหมือนกัน ทำไมเขาถึงไม่ถามเราก็เป็นเพราะบุพกรรมเราไม่ได้นี้เมื่อท่านลงแล้วท่านจะไปพัก เราสอเป็นโสดาจะเดินจะเดินจากภาพพระจันทร์ไป 4-5 วันติดๆกันเรา 3 แล้วนี่ไปกรุงเทพฯครั้งที่ เป็นบอยของเพื่อนต้องตามหลังเพื่อนเพื่อนพาลงรถเราก็ลงเพื่อนพาขึ้นเราๆมันก็มีอยู่ถนน แล้วแต่ในระหว่างนี้มีจดหมายปลายทางเราไม่หลงแต่ <c oughs> แล 7 วัน ไม่ไม่ทิ้งเลยอยู่ในศีลทุกต้นหน้าจงเป็นสุขอยู่ทุกเมื่ออยู่ในศีลทุกต้นหน้าจงเป็นสุข ธรรมที่ไม่มีเวรธรรมะที่ไม่ที่ไม่มีภัยเรา เอาเป็นอาหารเอาเป็นเครื่องอยู่เอาเป็นอารมณ์พอข้ามถึงท่าพระจันทร์ลงไปในท่านี่ตํารวจเออลํากูได้มั้ย แต่ว่าเขาไม่เก็บทั้งหมดก็ไม่ทราบหรอกขึ้นเร็วนะครับขึ้นเลยนะเอากด 3 ล้อสมัยนั้นเขาเรียก 3 ล้อ แท็กซี่หรือแท็กซี่แต่ทุกวันนี้เรียกแท็กซี่น่ะมันเป็นรถเก๋งรถกลางไปซะ 3 ล้อเราดีๆนี่เองอะไรหรอกอืมสมัยล้อ เป็นแถวๆเลยมอญนี่ก็ขึ้นออกมาขึ้นบกดอกมะลิมันคับ ว่าดวงจะไปทางไหนท่านมันเกี่ยวกับเพื่อนไม่รู้จักเพื่อนจะ เพราะผมกระผมเห็นพระมีเงินในกระเป๋าแยกมาที่ท่านว่าว่าไม่มีเงิน ขึ้นขึ้นเอาลงมันมันให้เราลงเราก็ฝืนลงอาตมาไม่เคย พาภาศตรงสิ สาницы Index จะถูกข์ไม่สน member birthday ไปพบ Notes Hobart โฟะผม מעeta แล้วพ compañ Jadi synagogue donne the mus karena kita צ้นสัย บอกว่ามาด้วยวิธีไหนเรามา глубbij umsum 33 rd ปラ King Bangkok, he just says, King delle chicken. because of you are now on top of the dead, must appear here, but when they say goodbye to Ashwag Piattu. она just realized everything with any of these, including the religious doctrine of собой เออก็ลืมก็ลืมบอกไว้ไว้เงินกลางสงฆ์ของเรามีอยู่สําหรับบ่อบอไปเพราะเราเคยไป รังหลวงบุรภาไปตามบอกเอาบอกของเรานั่นแหละแล้วก็กลับถึงนี่ มันก็เป็นกรรมของเราอีกก็เป็นกรรมของเราอีกเค้าพูดกับเราอยู่พวกกรุงเทพฯเลยว่าออกจากนี่ท่านจะไปไหนท่านมีค่ารถ ทัพอยู่กับหมู่เพื่อนนานพอควรแล้วหมู่เพื่อนก็จะ เปรตธมรลดโดย 3 ตู้เป 2 ก็ไปเอา 2 บาท 50 สตางค์รถคุ้มค่าตามให้ดัง 3 รถ ไปพักอยู่ที่อยุธยา 3 คืนไปพักวัดนเรศวรที 2-3 วันขึ้น ในเวลา 5:00 น. 5:00 น. เช้ารถบรรดาลเป็นกรรมๆติด 10, 10 100, 12 กว่า 13 14 ไปอีกได้ยืนหมด เขาบ่นว่าคนเต็มแล้วมันขายตายห่าตายหูมันทําไมมันขาย มีฝ่ายอย่างนี้ก็เลยนี่ยืนเออหมดคืนยนต์นี้อุดรบริกรรมพรณาภ้อม ของไข่ของ